5. มันจะปีถศิขาบท 140. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทาเตียงหรือตัางเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพท่านพระอุปนันทะสากยบุตรถามเพราะเรื่องอะไร